6.8 ขันติเป็นเรื่องที่สำคัญมากวงเล็บเปิด23มกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที20วงเล็บปิดมีพระรูปหนึ่งท่านมาเรียนกับหลวงพ่อ6เดือนท่านนั่งสมาธิทั้งวันเลยนั่งจนเหนื่อยเอ็นตัวลงนอนคล้ายๆพระอ น, นุนพอเอ็นตัวลงนอนจิตก็รวมลงมาเลยดังนั้นเราไม่รู้นะว่ามรรคผลจะเกิดขึ้นตอนไหน อย่าไปทิ้งโอกาสด้วยการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปมันต้องอดทนนะต้องลงทุนตามรู้ตามดูเรื่อยๆเราไม่รู้เลยนาะทีใดคือนาทีที่จะแตกหักกับเราดูจิตจนมันเคยชินที่จะดูดูของมันเองอัตโนมัติดูอัตโนมัติแล้วถึงเวลาของมันเองที่จะสุกงอมมันจะเป็นไปเองสุกงอมไปเองพอเข้าใจธรรมะแล้วอเนกอนาที่สุดเลยอนาตัวเองนะเหมือนสัตว์เลื้อยคลานคลานกระดึบกระดึบกระดึบ เหมือนเราขึ้นมาอยู่บนยอดเขานะหันไปดูพักพวกเหมือนทากอยู่ก้นเหวอย่างนี้เรียกให้ขึ้นมาเหอะขึ้นมาเหอะมันก็ขึ้นเหมือนกันแต่มันขึ้นขึ้นลงลงส่วนมากขยันอยู่พักเดียวแล้วก็เลิกขยันอยู่พักเดียวแล้วก็เลิกไม่เอาจริงมวัวแต่เดินวกไปวกมาให้มันเด็ดเดี่ยวเข้ามาหลวงพ่อเลยเรียกร้องแต่เรื่องอดทนเห็นไหมทนไว้นะทนไว้นะคาว่าอดทนนี่สาคัญมากเลยจนกระทั่งถึงนาทีก่อนที่จะเกิดโครตรภูยาน วินาทีก่อนที่จะเกิดโคตรภูญานองค์ธรรมสําคัญคือขันตินี่เองมันอดทนต่อ ก, การไปรู้สภาวะธรรมทั้งหลายอดทนทั้งที่สภาวะนั้นคืออะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปอดทนถึงขนาดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้จะอยู่หรือจะตายก็ได้อดทนจิตถึงจะวางสภาวะทวนกระแสเข้ามาห า, าธาตุรู้ได้ดังนั้นอึดๆไว้นะหลวงพ่อเป็นคนที่อดทนในการฝึกตัวเอง อดทนอดกลั้นตอนจะบวชเนี่ยหลวงพ่ออ้วนน้ําหนักเยอะถึงกินน้อยก็อ้วนนะเป็นกรรมพันธุ์มีญาติบางคนเคยขับเบนซ์แล้วขับไม่ได้เพราะเข้ารถไม่ได้ต้องไปนั่งปิกอัพข้างหลังอยู่คนเดียวสายพันธุ์มันเป็นอย่างนั้นน้ําหนักเราเยอะนะตอนจะบวชต้องนั่งคุกเข่าประมาณ45นาทีไม่ใช่ง่ายนะถ้าน้ําหนักเยอะๆแล้วคุกเข่าเนี่ยมันแทบจะพังภาพเลยแล้วเป็นคนที่ไม่จําด้วยบทสวดขานนากต้องยาวหน่อยก็ต้องอดทนมากเลยในการฝึก สวดวันละวักซ้อมล่วงหน้าเป็นปีเลยวันละวักเดียวได้สองสามวันหายไปอีกแล้วซ้อมทุกวันทุกวันจนแม่นเปรอะเลยนะเวลาจะใช้งานจริงนี่แม่นเปรอะเลยนั่งคุกเข่าไม่ได้นะซ้อมนั่งคุกเข่าเอาแล้ววันนี้นั่งได้45นาทีภูมิใจตัวเองพรุ่งนี้พยายามนั่งให้ได้50นาทีขยบขยบอย่างนี้นะอดทนมันเป็นนิสัยที่อดทนนั่นแหละตอนเล่นกระบี่กระบอง คนอื่นเข้ารำไปหลายสิบท่าแล้วหลวงพ่อฝึกอยู่ท่าเดียวฝึกอยู่นั่นแหละผู้กรำเก่งๆสู้เราไม่ได้เราไม่มีกระบวนท่านะมีแต่ท่าเบสิกป้องกันตัวเองไว้เท่านั้นต้องอดทนนะอดทนตอนหลวงพ่อเด็กๆนะโดนพ่อฝึกให้อดทนตอนนั้นมีคนจีนหาบของเล่นมาขายหน้าบ้านมีรถไฟอยู่สองคันนะหัวรถจักรกับหางมันทาด้วยพลาสติกนะอัลลบาดไปบอกพ่อให้ซื้อให้พ่อบอกว่าเดี๋ยวอดทนไว้ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อให้เราก็คิดว่ามันจะขายคนอื่นไปหรือเปล่าต้องอดทนถูกฝึกให้อดทนวันนี้ไปดักมันตั้งแต่เที่ยงเที่ยงนะเดี๋ยวมันผ่านไปพอมาก็ไปเรียกพ่อมาซื้อให้พ่อบอกว่าวันนี้ซื้อให้คันเดียวก่อนจะได้อดทนเราก็นึกว่าจะซื้อหัวมันกลับไปซื้อหางมาให้เราเพราะจะได้อดทนเพราะหัวมันน่าเล่นกว่าอีกวันร้องไห้เลยนะเพราะว่ามันขายไปแล้วตลกมากเลย มันจริงๆมีแต่หางนะเอาเชือกผูกลากลากไปไปเจอเด็กอีกคนมันลากหัวมาแม่ให้ต่างคนต่างลากของตัวเองกลับบ้านคนโบราณ น, นะฝึกลูกฝึกหลานของตัวเองอย่างนี้อดทนต้องรอได้ใจต้องถึงถึงนะการภาวนาต้องใจถึงหลวงพ่อไปหาหลวงปู่เหรียญก่อนท่านมรณภาพไม่กี่วันท่านนอนอยู่บนเตียงแบบเตียงโรงพยาบาลไขได้ไปถึงนะกราบท่านท่านก็สอนธรรมะนะว่าต้องอดทนนะ ต้องสู้นะต้องต่อสู้จะข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่ข้ามง่ายๆต้องสู้แล้วท่านก็เล่า ว, ว่าท่านเองสู้มาแสนสาหัสเลยท่านเกิดธรรมปิติที่ท่านต่อสู้มาน้ำตาคลอเลยนะท่านเกิดธรรมปิติไม่ใช่พระร้องไห้นะจิตใจท่านคึกคักห้าโหานนอนจะลุกไม่ขึ้นแล้วนะยังสอนลูกหลานว่าต้องสู้ตายนะต้องสู้หลวงปู่สู้ตายมาตลอดนะท่านสอนอย่างนี้ดูครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละรูป ท่านสู้ตายทั้งนั้นหลวงพ่อยังไม่เคยเจอนะประเภทตื่นมาไปฉันข้าวแล้วก็บรรลุพระอารหันต์ไปแล้วมีแต่สู้ตายทั้งนั้นแหละต้องอดทนอดกลั้นนะขันตินี่เรื่องสําคัญมากเลยอดทนต่อความยากลําบากทางกายความยากลําบากทางจิตใจฉะนั้นเวลาเราพบปัญหาในชีวิตนี่ทนทนไว้ปัญหาไม่ว่าร้ายแรงแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปท่องไว้นะเวลาเร า, ผาเผชิญกับความทุกข์แสนสาหัสท่องไว้นะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ท่องไว้แล้วสู้ตายสู้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ยากนะแต่ว่าใจต้องถึงถึงวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องใจถึงมากหน่อยเพราะพวกเรารู้หลักอยู่แล้วรู้หลักแล้วเราต้องตามรู้ตามดูเรื่อยๆอย่าท้อถอยดูไปถึงช่วงหนึ่งมันขี้เกียจขี้คร้านมันท้อแท้มันเป็นไปได้ทุกคนแหละแต่ท้อแล้วก็ต้องดูนะไม่ใช่ท้อแล้วเลิกนะดังนั้นถ้าภาวนาเป็นแล้วเนี่ยต้องอดทนส่วนพวกที่ภาวนาไม่เป็นอย่าเพิ่งอดทนนะมาเรียนให้รู้เรื่องก่อน เดี๋ยวมันตะบี้ตะบันไปทําอะไรก็ไม่รู้นะมันจะหลงทางไปไกลแต่ถ้าฝึกจนสติเราเกิดแล้วรู้กายรู้ใจได้พอเรารู้สึกตัวได้แล้วก็ต้องอดทนแล้วทนดูเหมือนคนทอผ้าคิดดูได้ทีละเส้นเส้นเล็กๆนิดเดียวเนี่ยกลายเป็นผืนผ้าขึ้นมาได้ด้วยความอดทนนะทนทําเข้าไปซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําอีกอยู่นั่นแหละเหมือนคนทอผ้าสมัยโบราณนะไม่ใช่เหมือนสาวฉันทนาสมัยนี้ถึงเวลาก็ไปกินส้มตำใส่โป้มีความสุข ฟังเพลงฟังวิทยุถ้าทำเหตุผลจะต้องมีผลที่ได้ต้องตรงกับเหตุและต้องสมควรกับเหตุด้วยเราอดทนเราภาคเพียนสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสังเกตตัวเองมากเข้ามากเข้านะมันซักฟอกลงมาในจิตในใจมากเข้ามากเข้าสติปัญญาค้นคว้าลงในจิตในใจจนเราไม่มีอนูใดที่กิเลสจะแฝงอยู่ได้กิเลสสุดท้ายเลยคืออวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ ถ้าตราบใดยังไม่รู้แจ้งอริยสัต์นะยังข้ามพพข้ามชาติไม่ได้